การฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเรามีกายมีใจปันหาต่างๆเกิดขึ้นที่กายที่ใจ การแก้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นที่ใจที่ใจรู้จักแก้ปัญหาที่กใจที่ใจให้รู้จักสร้างปัญญาเกิดจากาจาการจักใจด้วยเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกให้ชอบไม่อยู่ให้งามชีวิตของคนเราไม่เหมือนนกนกมันมีเล็บมีเขี้ยวมีปีกมันไปที่ไหนก็ไปหาอยู่หาจินแต่ชีวิตของคนเราไม่เหมือนอย่างนั้นเาใส่เหตุปัจจัยหลายอย่าง มีความรู้มีความสามารถทำอะไรให้มีความสาเร็จบ้างพึ่งตัวเองได้บ้างคนหนุนในบุณทวีเดินจากมาจากวางคุ้นเทียนหลายคนมาจากทิศทางต่า ง, า ง, างๆไกลๆอาศัยปัจจัยอย่างอื่นที่ช่วยเราก็ามีสติปัญญาช่วยเราแต่บางคนไม่มีสติปัญญาเพราะเาไม่ค่อยศึกษาหรือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาชีวิตคนเราต่างกัน อย่าน้อยเราก็มีความสาเร็จในหน้าที่การงานปะยร่าพอที่พิ่งตนเองได้โดอจกหารดอจกเก็บรักษารู้จะใช้รูยจกจ่ายโดยจกตั้งพ่อบ้านให้เรือนเป็นคนดีเชื่อฟังกันมีศีลมีธรรมอยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าเราไม่สร้างสารรค์อย่างนี้เราก็เดือดร้อนขวดสัตว์ดิละฉานคิดไปอย่างอื่นหาสร้างอันตราย เปี่ยนเปียนกันได้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีขอบเขตมีรั่วล้องรอบกายใจของเรามีศีลมีธรรมไปอยู่กันด้วยความผาสุกถ้าก า, าดศีลขาตามโลกก็เดือดร้อนแต่ดีคนเดียวไม่ได้จงช่วยกันชวนกันเป็นคนดีเราไม่เคยตัดต้นไม้สักต้นเราก็ลําบากโลกร้อนขึ้นมีเหตุการณ์ปนเปวนไม่เหมือนเมื่อก่อน เพรางือของมนุษย์ผิมือของคนเหล่านี้มันก็ถ้าไม่ควนกันไม่มีขอบไม่เัดไม่มีการศึกษาต่างคนต่างทําอะไรใครทำอะไรก็ทําไปได้ทานก็เจ็บหายโลกมีท่านผู้รู้มีครูอาจารย์มีผู้มีความสามารถมากน้อยต่างกันเราก็อาศัยคนมีปัญญามีความสามารถ เราไม่มีความสามารถพออาศัยกันคนมีความสามารถก็อาศัยคนที่าารถถ้อยความสามารถซึ่งพออาศัยกันได้เราเพิ่งพออาศัยกันมาได้ก็ให้สมกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนากายใจของเราต้องมีศาสนามีระเบียบของปฏิบัติต่อร่างกายมีระเบียบต่อการปัดต่อใจใจมีระเบียบต่อคําพูดที่มันแสดงออกมาสามปลาย ไ ป, ไไปไายกายปลายวาจาปลายจิตรักษาสามปลายหายสามโทษตกลงท่านว่าโทษที่เกิดจากกายของคนก็มีโทษที่เกิดจากวาจาของคนก็มีโทษที่เกิดจากจิตใจของคนก็มี จ, จึะ ม, มีขอบมีเฉดภาษาใจไม่ชิดตัดทุ่มไล่เขาไม่ไภับาดปองไล่เขาไม่เห็นผิดจากตํานองของธรรมนี่ขอบของจิตขอบร่วของจิตใจ การรักษากายก็ไม่ค่าจัดไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผินในกรรมทั้งหลายังวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเค้อเจอพูดแต่ความจริงเมื่อเรามีขอบเขตแต่กายวาจาใจแล้วเราก็อยู่เป็นสุขได้แต่ถ้าเราไม่มีขอบเขตแต่มีรั่วล้อมเราก็สะรุทะลวงไปเลียดเวีนคนอื่นทําให้คนเดื่นร้อนได้ ทันเราคนหนงละที่ช่วยสังคมให้ยู่เยนเป็นสุขแรงออกช่วยกันมีเมตตากรุณาชีวิตของเรามันทำรายได้สำเร็จทำความดีได้สำเร็จแล้วความช่วยได้สำเร็จอยากจตากแดดก็มีแสงแดดอากตากได้อาบได้จะหายใจก็มีอากาศหายใจได้อยากกินพริกขี้หนูสักต้นหาพริกมาปลูกก็ได้ได้โหรลพาสักต้นหาโหรพามาปลูกก็ได้ แต่รอบก็มีผักที่กินรอบว่านเหมือนคุณมนนิพาบันไดเคล็ดว่าก็มีผักคนซื้อผักซื้อของมากินน่าสงสารเอาถุางผักเด็กไปหิ้วมาจากร้านเราตั้งชื่อว่าตลาดสดมันก็ไม่สดอะไรเขาเล่ยงวันอยู่ไปยืนซื้อเอาจากเขาไม่สดเลยถ้าเราผูกว้นี้นก็สดจริงๆสุกโตอันนี้ไม่ใช่พูดมันจะสอน ทำมาแล้วมีบริเวนสะวัดป่าจูโตมีผักแปดสิบชนิดแตดูได้ผีมือของเราเองเดินจากทางทิศตะวันตกมาสลาหน้ามาที่ฉันเดินผ่านมามีเก็บผักมาด้วยเดินมาทางทิศใต้มาสลาหน้ามาห้อฉันมีผักต่างที่ทางเดินมาด้วยมาทางทิศตะวันตกก็มีผักอร่อยหลายอย่างมันบอกหลอมันยืน่นมือมาให้เราเก็บมัน ถ้าเราเฉยบางก็ดีใจดีใจมีพริกบ้างพริกบางประเภทพริกนกปลูกเป็นงไงพริกนกปลูกอะ่ะก็เห็นไหมถ้ามาเขีนไปดูสุกโตนะพริกนกปลูกมันเจ่งกว่าเราต้นไม้นกปลูกก่อนไม่สามารถที่ปลูกได้เหมือนนกน่าเคารพนกเราดูว่าเขาไม่แจ่งเขาเจ่งกว่าเรามีเหมือนกันเราตาเขียนป้ายขึ้นว่าต้นไม้นกปลูกให้คนเห็นว่านี่ฝีมือของนก เขียนไว้พริกนกปูกคนหูเขียนให้บอกคนหูเขียนเอาติดใต้ขึ้นออกลูกตลอดเวลาอันเราก็กำลังละที่จะต้องทําอะไรให้มีเป็นที่พึ่อขอ ง, ง, พอของของตนเองเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ให้มีความสําเร็จบ้างหลายชีวิตที่ไม่คนสําเร็จได้เพิ่มราัยในโลกนี้สมัยเบกาเนี่มาดูที่นี่พ่อจงใจแม่เป็นจจวันจนตาอย่างนั้นน่ะ ป่าญาพงป่าญาแล้วคนที่มีปัญญาโค่ะ อ, อีกสักเดือนหนึง่นปปนงก็เป็นรูปเป็นลางขึ้นมาผมดูอย่างนั่ะเป็นรูปเป็นลางขึ้นอ้ามีฉลามีไอทํากันอ้า ว, าาวนี่คนมีปัญญาอ๋อยานโนเตอร์มนัดเดินรอบวัดป่าสุกโตเป็นแผนที่ออกมาเพราะอะไรเพราะมีปัญญาแต่ไม่ทันหวืเฉียวเดินรอบวัดสุกโตเป็นแผนที่กี่เม็ด ให้ต้องไปนับเหมือนหลวงตาหลวงตานับดูจอนเดินรอบสระเนี่ยพระอาจารย์มนัดมาเดินรอบสระมาต้องนับเหมืนหลวงตาตานับดูได้เจ็ดรอยกว่าเก้านาทีหนึ่งได้ร้อยเก้าจารมานัดไม่ต้องนับเลยเดินไปแล้วออกมาเป็นตัวเลขเสร็จพงไหนไปยืนอยู่ทางทียมตกของวัดจุกโตแล้วมายืนอยู่ทางหน้าวัดทางทียมรันออกของจุกโต ความสูงความต่ํารู้จักเลยที่นอนกับที่นี่ต่ำกูกันเท่านั้นเมตรที่นันสูงกว่านี่เท่านั m, ้นเมตรตอนนี้ปัญญาแล้วเขาพูดในหนังสือพิมพ์ลงตราจัด่ด้วยระดับน้ําทะเลสูงขึ้นหกสิบเมตรกรุงเทพมหานครสูงกว่าระดับน้ําทะเลสามี่หกเมตรถ้ามันสูงขึ้นหกสิเมตรน่ะกรุงเทพเทีว่าจะอยู่ยังไงถ้าเขาพูดอย่างนั้นเขามีความรู้ยัะไงเขาก็ไม่ร้ยังไง อายุมันเกิดที่ตรงไหนสามารถรู้โลกหน้าได้สี่ชั่วโมงเกตชิปตารางกิโลเมตรสามารถป้องกันได้นี่คนมีปัญญาแล้วเราไม่มีปัญญาคอยจะหอบสิ่งของของเวลาฝนตกลมพัดคอยไม่มียาเขาเตรียมตัวได้เราก็ต้องอาศัยคนพวกนี้พราเรานั่งอยู่นี้มีปัญญาอะไรเอามาช่วยกันหลวงตาเขาไม่มีปัญญาแบบเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มีปัญญานี่เด็ดเดียวทีเดียว มาเถอะมันจะทุกอย่างเปลี่ยนได้ทันทีเหมือนหน้ามือหลังมือปัญญาของเราเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเรามีปัญญาอย่างนี้เราจึงมาสอนอย่างนี้ปัญหาเกิดจากความคลายจากใจเราทําให้มันดีได้เดี๋ยพี่รู้สองง้องรู้นังจา้าจงมีปัญญาสร้างอย่างนี้ก็สร้างให้เรามาใสา่อาหารการชันเราตําตึ้งตัวยังมาได้ถ้าจะมีปัญญา เราก็ไม่มีปัญญาอย่างนั้นให้คนละทิศคนลัทาช่วยกันไปเราไม่อยู่คนเดียวในโลกนี้อยู่กับพืดินแม็นทรายดินแผ่นดินอากาศแม่น้ปาป่าไม้ต้นไม้มายืนอยู่ไม่ใช่มันอยู่อยู่เฉยๆเหมัอนกองอากาศให้เป็นออกซิเจนให้เราหายใจถ้าที่ใดไม่มีต้นไม้มีท้องฟ้าท้องโล่งอย่างที่นี่มันไม่มีออกซิเจนก็ลํำบาก บางทีเขาไปเห็นต้นไม้ใหญ่ล่องตาที่สุกโตเขาตีราคาเป็นหมื่นเป็เสแสนก็ต้นนี้ต้นนี้ออแปอเรชั่นเป็นกระดานขายได้เป็นแสนและหมื่นสองมื่นก้ามม้ล่องตาผมจะซื้อหมื่นหนึ่งขาย ไ, ไหมเขาตีเป็นเงินเป็นทองเราก็บอกว่าโอ้ล่องตาไม่คิดเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าตอนนี้มันเย็นอยู่นี่มันปงอากาศให้เรามัน ขมของต้นไม้เล็กๆก็ไม่เล็กอาจายต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนสังคมเราเราก็มีสังคมมีลูกมีหลานมีเหรนมีหล่อนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็อยู่เหมือนสังคมของต้นไม้ต้นไม้ก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันการง่ายต้งเล็กก่อสายต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่อกจะต้นไม้ต้นเล็กดีเราไม่รู้เรนคิดว่าเราแข่งกว่าทั้งหมดไม่ใช่เลยอย่างคนตัดกอไผ่ง่ายไผ่ เราะว่าไม้ไผ่มันมีหน่อลักษณะสองสองอย่างหนอไผ่เคยเห็นไหมจะหน่อดังดินมันจะออกไปไกลไกลคมันจะมียอดบวบๆออกไปไกลกอแสดงว่ามันเป็นไม้ เ, เบญจัรรณมันจะสืบแทนโพ่อแม่ของมันพ่อแม่กองมันแก่แล้วมันจะเป็นเบญจพรรณไปออกดอกไกลไกลคออย่าไปจับมันมากิน ให้จับว่านอที่มันปลายแหลมมันอาจจะติดลอมต้นไผ่ซับมาเลยมันไว้ให้เรากินอันบอกเอาถ้าเราไม่รู้หงายใจของหมอไผ่คอไผ่แล้วไปจับว่นอ่กลๆมันเสียใจมากมันก็พยายามก็หอกแล้วไปจับอีกมันก็เสียใจอุตส่าจะสร้างลูกมาให้สื่อกลุ่มมีลูกสาวลูกชายมันก็อยู่ไม่รอมันก็เสียใจพรมันเสียใจมันก็ออกไม่ได้แล้วทําไงบ้ เราก็ปรึกษาเดียกันเพราะเราต้องเสียสะละชีวิตแล้วตอนนี้ไม่ต้องออกลกออูกออกหน่อมาออกลูกดีกว่ามันก็ออกลูกขึ้นมาด้วยลูกขี่ใช่ไหมลูกขี่แล้วลูกมันก็หล่นลงมาเกิดเป็นลูกต้นกล้าเล็กทั่วไปลมพัดไปแพ้นี่มันก็เมื่อมันออกลูกมันก็ตายเพื่อความอยู่รอดของมันคนเราก็เหมือนกัน อดีตความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยอย่าไปเป็นทุกอย่างเดียวให้มีปัญญาด้วยความหิวข้าวมันเป็นเรื่องดีมันบอกมันสัญญาณภัยเพร่เราช่วยทํางานไม่เหน็ดเหนื่อยก็พักก่อนว่างเวลาโกรธหายใจเรื่อยๆเข้าดูอย่าหาแนวร่ ว, วมของโกรธอย่าพูดในเวลาโกรธอย่าเอาอะไรมาคิดในเวลาโกรธหาเหตุผลในเรื่องให้เกิดความโกรธอย่าไปคิดเลยต้องดูมันจะมีทาง ทางมาอยู่ที่ตรงหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เห็นทางถ้าหลงกันแหละจะเป็นทางอยู่ตรงนั้นด้วยเราต้องดูดีๆอย่าให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นรู้ใจทุกข์เป็นทุกข์ให้ทุกข์เป็นรู้จะให้โกรธเป็นโกรธให้โกรธเป็นตัวรู้่าหาทางบนตรงนั้นเหมือนความมืดตอนนี้แสงสว่างเกิดขึ้นบนความมืดคนหลงก็เม่ความรู้เกิดขึ้นวงความหลงได้นี่เลยว่าความําเร็จฉันหนึ่งที่เราได้ศึกษา ให้เราไม่ทางอย่างนี้อย่าจนต่อความหลงอย่าจนต่อความทุกข์่ะจนต่อความโกรธมีทางอยู่ความโกรธเปลี่ยนได้อยู่ไม่โกรธก็ได้มีจิตที่เปลี่ยนได้ความหลงมีจิตที่ไม่หลงความทุกข์มีจิตที่ไม่หลงใช่สิทธิของเรานี่เรียกว่าให้มีปัญญาด้านนี้ด้วยปัญญาแบบนี้เรียกว่าปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะไม่ใช่ไปศึกษาใจตามหรับตามลาสู่สำเร็จ ปัญญาพระเจ้าเกิดจากกองสังขารนี้คือกายกับใจแล้วกายจะสังขารหลงเพราะกายแยะๆจิตจะสังขารหลงเพราะจิตใจพองแผ่แย่ๆได้ปัญญาตรงนี้เจอว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญามาเกิดทางนี้พ่านเรามีแหล่งปัญญามีแหล่งบุญมีแหล่งกุศลในกายในใจเหล่านี้ แม้เราไม่มีเงินสักบาททำบุญกับไปกับเจรองปายได้เอากายมารับความชั่วเอากายมาทำความดีเอาจิตมารับความชั่วเอาจิตมาทำความดีได้ถูกโอกาสไม่ใช่วเวลาจะมีเงินมีทองทำความดีทำบุญได้ทำได้คิดแต่เฉยก็เป็นบุญได้อ่านหนูธนาก็เป็นบนุญถ้าพยัานก็เป็นบนุญไม่ต้องเสียเงินทำมาทานก็เป็นบนุญถ้าลองตาพูดจุดนี้เราไปทำดูเมื่อมันโกรธไม่โกรธลองทำดูสิ กวามกรธเป็นบาปควไม่โกรธเป็นบุญแล้วทำบุญต่อกันให้มากอย่ามาทำบุญต่อลองตาอยู่วัดที่เดียวปัญญาสามีทำบุญต่อกันพ่อแม่ทำบุญต่อลูกลูกทำบุญต่อพ่อแม่เป็นคนดีให้กันแต่ละกันต้องเป็นคนดีไม่ลักกันด้วยความคิดอะไรอบอนถ้ารักผัวรักเมีรักลูกรกหลานก็เป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีถือว่าเป็นยอดรักรักแล้วถ้าเราไมจะรักหรือเป็นคนชั่วอยู่ไม่ใช่ เราจะมาสอนตัวเรื่อนี้ในตัวเรื่อนี้เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆสามารถรับความช่วยได้ทําำดีได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยอาถ้าเรามาดิจจ์ช่วยตัวเองก็ไม่มีคนอื่นช่วยเราเราช่วยตัวเองก่อนพระพุทธเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองแล้วพระุทธเจ้าก็สอนให้คนเขาช่วยตัวเองพิ้งตนเองเอาชนะตนเองเอาชนะความโกรธหรือความไม่โกรธชนะตรงนี้ จะปลุมใจขนาดไหนปลุมใจที่เป็นนักบวชคือทำอไรอ่ะไม่มีอะไรเป็นของของเราแม้แต่กายใจก็ไม่มาสั่งอะไรเราได้เราไม่มีอะไรที่จะต้องเอามาเป็นภาระเป็นความทุกข์ความลำบากเอามาเป็นเครื่องสะดวกในการทำความดีแล้วใครสะดวกมากไม่ต้องลำาหายินญาติโยมดูแลให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ข้างนุ่งห่มแล้วก็สะดวกทำความดีไม่วันขาแทนประเทศไทยเรา ตอนเราจึงโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากราิจัดมีพุทธศาสนาพระเจ้าจ่กสินเลยพเพด่อแต่ว่าไปได้ยินไห้หลงพ่อชอบอ่านตัวข้าที่ว่าพระเจ้าตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาขอถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา แต่พตระาศาสนาสำนัพระโคดมให้คงทนคงอยู่ได้ห้าพันปีสมนะกสามขีปพฤิแห่งเหมาะสมปฏิบัติส ม, มะะระวาจนาพ่อชื่นชมโอเาแววังคงมปลอยพระบาทพาระศาสดาถ้าคิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าชาติของเราคู่กับพระศาสนาพระศาสนาคงอยู่คบรบจัตตาศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน พระเจ้าตากเศษเป็นผู้กู้ชาติประเทศไทยเอาไว้ให้เรามีแผ่นดินอยู่เราไม่เหมือนนกนกกะทวีบาอเมออริกามันหนีหนาวมาอยู่สุกโตเอามาอ่านดูประวัตินกแบบนี้มาจากโน่นนะโอ้ยมันเดินอยู่รอบก็เดิเดิหนหาเจียมันหนีหนาวมาพึ่งผืนแผ่นดินไทยต่คนไทยนี่ไปไมานะได้หรอกเขอยู่วงลากขาได้เขาจับเขาจะไปวังลาคุณพร้อมเขาไม่ไปต้องเสียเงิน น, นกไม่ต้องเสียเงินเลยบินไปไหนก็ได้ตอนนี้อีเล็งเมืองไทยเราประโยู่เสียงกาบประโยู่อินเดียหมดนกอีสานมาอยู่กรเทพหดแล้วนะไม่มีสักตัวแล้วนกอีสานะอ่ะันนี่ยเราอันี่มันดีตรงไหนละ่ะอะไรพึ่งเราได้ให้เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันได้ว่าอย่างน้อย ก, ก็สามีปัญญานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี้ ทำบุญต่อกันทำบุญต่อกันพูดดีต่อกันเห็นหน้ากันได้สวรรค์ได้ในพานเห็นหน้ากันอย่าให้ได้ในโลกนะเห็นหน้ากันอโกรธเกรี้งไม่ได้เห็นหน้ากันได้ในพานสามีเห bon ็นหน้าบรญญาสามีได้ในพานปรญยาเห็นหน้าสามีปัญญาได้ในพานพ่อไม่เห็นหน้าลูกพ่อแม่ได้ในพานลูกเห็นหน้าพ่อหน้าแม่พวกเราทุกคนคนใดเห็นหน้ากันอุ่นใจอุ่นใจ